บทที่69นี่ข้ากว๋วยเตี๋ยวจะทุกรายแรกของช่วงบ่ายเป็นสตรีสาวสวยซึ่งมาด้วยกันสามคนคนมีท่าทางเป็นผู้นำรายงานว่าพวกหนูมาจากวิทยาลัยครูค่ะ เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นั่นหลอนออกชื่อวิทยาลัยครูแห่งหนึง่งอ่อจะเอาวาดวัดป่ามะม่วงมองหน้าหลอนทีละคนแล้วถามชื่ออะไรกันบ้างล่ะอาจารย์อะไรจ๊ะหนูชื่อยุพาพรคนซ้ายมือชื่ออาจารย์กุณฑีส่วนอาจารย์คนขวามือชื่ออาจารย์กวิศยาคนนี้เพิ่งบรรจุคะ่ะ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 หลวงพ่อจําได้หรือเปล่าคะคุณแม่หนูสวยผิวขาวไม่ดําอย่างหนูหรอกคะ่ะคนชื่อกวิศยาพูดเสียงแจ๋วแจ๋วและทําไมอาจารย์ถึงไม่ขาวเหมือนคุณแม่ละ่ะหรือว่าคุณพ่อผิวคล้ําท่านเลี่ยงมาใช้คําว่าคล้ําแทนดําคุณพ่อก็ขาวคะ่ะพี่น้องสามคนก็ผิวขาวหมดมีหนูดําอยู่คนเดียวเพราะต่อหนูอยู่ในท้องคุณแม่ คุณพ่อไปติเพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อในละ่ะติเขาได้ทุกวันว่าตาคนเนี้ยยิ้มเห็นแต่ฟันพอหนูออกมาก็เลยดำเหมือนตะละค่ะคุณแม่โกรธคุณพ่อมากเลยทำไมคุณพ่อว่าคนอื่นแล้วกรรมต้องมาตกอยู่กับลูกด้วยล่ะคะหล่อนถามเขาเรียกว่ากรรมจัดสรรคนโบราณเขาถึงไ ด, ดสอนเอาไว้ว่าเวลาท้องอย่าเที่ยวไปติใคร เหมือนคนที่อาตมารู้จักแกไปติลูกของเพื่อนบ้านว่าปากแหวงพอแกคลอดลูกออกมาโอ้โหปากแหวงเหมือนลูกของเพื่อนบ้านเปียบเลยถ้าอย่างนั้นเวลากำลังท้องต้องชมว่าสวยใช่ไหมคะอาจารย์สาววัย่บเวกสองเรียนถามก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่หลับหูหลับตาชมนะเดี๋ยวไปเห็นคนปากแหวงตาเล แล้วก็ไปชมว่าสวยลูกออกมาก็เลยสวยอย่างนั้นบ้างคำพูดของท่านเรียกเสียงหัวเราะจากคนทั้งกุฏิอ้าวนี่พูดจริงๆนะอย่าทาเป็นหัวเราะจริงค่าหลวงพ่อหนูก็เคยเห็นมาแล้วที่หน้าวิทยาลัยของหนูมีสามีภรรยาคู่หนึ่งมีอาชีพขายทานตัวดำทั้งคู่แต่ลูกสาวแกสวยมากผิวขาวยังกับหยวก คนเขาสงสัยก็พากันไปถามแกแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนแกตั้งท้องแกเอารูปนางงามมาติดไว้ที่ข้างฟ้าแล้วก็ดูทุกวันวัละสีเวลาหลังอาหารแล้วก็ก่อนนอนพอลูกแกออกมาก็เลยหน้าตาเหมือนนางงามในรูปเมื่องานฤดูหนาวที่ผ่านมาเขาก็มีการประกวดนางงามประจาจังหวัดลูกสาวแกได้ที่หนึ่งค่ะอาจารย์กุลนทีเป็นคนเล่า ท่านเจ้าของกุฏิสรุปให้ญาติโยมฟังว่าที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเลวไหลไร้สาระนะญาติโยมโปรดจำไว้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นหน่ะมีผลมากมีวิบากกฎแห่งกรรมทำหน้าที่ของมันตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะปรากฏให้เห็นเร็วหรือช้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครกลัวทุก ก็จงทำจงพูดจงคิดแต่ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเอาละแล้วอาจารย์ทั้งสามมีอะไรที่จะให้อัตมาช่วยหรือเปล่าท่านเปิดโอกาสให้สตรีทั้งสามอาจารย์กวิศยาเขามีปัญหาข้าหลวงพ่ออาจารย์ยุพาพรช่วยกรึ่นให้ว่าไปเลยจะ้ะอาจารย์ว่าไปเลยท่านเจ้าของกุฏิกราวอนุญาต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 อาจารย์กวิศยาเข้ามาอยู่บ้านเดียวกับหนูเพราะยังไม่ได้บ้านบ้านพักอาจารย์มีจำกัดค่ะคนที่บรรจุใหม่จะต้องรอหากมีการโยกย้ายหรือว่ามีการแต่งงานระหว่างอาจารย์ด้วยกันคู่แต่งงานก็ต้องย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันก็จะมีบ้านว่างหนึ่งหลังทางวิทยาลัยก็จัดการว่าใครจะได้บ้านก่อนใครระหว่างที่รอบ้าน หนูก็ชวนเข้ามาอยู่ด้วยก็อยู่กันสบายๆไม่มีปัญหาอะไรมาเมื่อสองวันก่อนอาจารย์กวิศยาเขาอยากจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานเขาก็โพรกุ้งแห้งเป็นการใหญ่แล้วก็จะเป็นเพราะเขาหิวมากหรือว่าแรงมากก็ไม่ทราบคุณเธอโคลกเซ้ครกบ้านหนูแตกเป็นสองกะบิ๋เลยค่ะหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ก็ซื้อใหม่ได้ที่ตลาดมีเพลเกวียน เขาก็บอกจะไปซื้อมาใช้พอดีอาจารย์คุณนัทีเขาเห็นเข้าเธอก็ตกใจใหญ่บอกว่าคนทางบ้านเธอเขาถือกันมากใครตำน้ําพริกจนครกแตกแสดงว่าคนคนนั้นกําลังมีเคราะห์จะต้องสะดอกเคราะห์ด้วยการอุ้มครกที่แตกนั้นวิ่งรอบบ้านเจ็ดรอบอาจารย์สาวพูดเสียงดังฟังชัดอ๋อทางบ้านอาจารย์คนเขาถือกันอย่างนี้หรึอ ท่านถามอาจารย์กุณทีค่ะแล้วอาจารย์เชื่อเขาหรือเปล่าท่านถามคนทำครกแตกเชื่อเหมือนกันค่ะหลวงพ่อก็อยากจะสะเดาะเคราะห์อย่างที่เขาว่าแต่หนูไม่กล้าค่ะทำไมถึงไม่กล้าอาจารย์ยุพาพรตอบแทนว่า เราไม่ได้อุ้มครกวิ่งอย่างเดียวแต่ต้องต้องต้องต้องอะไรพูดไปเลยอาตมากำลังฟังอยู่ต้องเปลือยกายวิ่งด้วยค่ะคนเล่าเอามือปิดปากหัวเลาะคิกๆ ค, คนฟังก็หัวเลาะ ก, กันคลืน่นโอ้โหถึงขนาดนั้นเชียวหรือท่านเจ้าของกุฏิถามเจ้าของปัญหาจึงว่านี่แหละค่ะคือปัญหาของหนูหลวงพ่อช่วยหนูด้วยนะคะ คนมีเคราะห์อ้อนบอนท่านพระครูสายหน้าช้าแล้วก็วิจารณ์ซึ่งซึ่งหน้าอาตมาฟังแล้วไม่รู้จะร้องเพลงอะไรดีเป็นพระร้องเพลงได้หรือคะอาจารย์กุณธีถามซื่อๆคราวนี้ท่านพระครูรู้สึกอยากร้องไห้นั่งปรับอารมณ์อยู่ประเดี๋ยวหนึ่งท่านเจ้าของกุฏิก็ถามขึ้นว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรหนุศสอนภาษาอังกฤษคะ่ะ ส่วนอาจารย์ยุพาพรกับอาจารย์กุลนทีสอนภาษาไทยอาจารย์กวิศยาตอบแล้วเรียนจบที่ไหนหลอนบอกชื่อมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งแม้จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเสียด้วยเสียดายที่อุสาห์เป็นถึงบัณฑิตแต่แก้ปัญหาไม่ได้แค่ครกแตกใบเดียวก็แก้ปัญหาไม่ได้ต้องวิ่งมาหาพระให้ช่วย สตรีทั้งสามมองตากันปริบปริบเมื่อถูกเทศต่อหน้าทรกตำนานแล้วเป็นอาจารย์มาได้ยังไงหน่าสงสารคนติดเป็นลูกศิษย์สตรีผู้หนึ่งวิจารณ์ในใจอาจารย์เคยเข้าวัดบ้างไหมเคยไปฟังเทศหรือเปล่าท่านเจ้า ข, ของกุฏิถามอาจารย์สาวคนชื่อกุณทีตอบว่าไม่เคยค่ะนี่เป็นวัดแรกที่หนูเข้ามา และก็คงจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายที่หนูเข้าวัดตอบตรงไปตรงมาทำไมล่ะอาจารย์วัดนี้ไม่ดียังไงก็หนูอุตสาห์พากันมารอคิวตั้งครึ่งวันเสร็จแล้วยังมาถูกหลวงพ่อว่าซิอีกลงพ่อไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมอาจารย์สาวตัดเพาะจริงๆด้วยเพื่อนสาวสองคนสนับส น, นุนอาจารย์อยากให้อัตมาช่วยหรือเปล่าล่ะ ท่านถามอาจารย์กวิศยาอยากค่ะหลวงพ่อช่วยหนูด้วยเถอะค่ะในไหนหนูก็อุตส่าห์ดานด้นมาขอความเมตตาคุณแม่บอกว่าหลวงพ่อเป็นคนใจดีมีเมตตาหลวงพ่อต้องช่วยแน่ๆค่ะรอนอ้างมานดาและทำไมคุณและทำไมคุณแม่เขาไม่ช่วยล่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะบอกแต่ว่าให้มาหาหลวงพ่อท่านเจ้าของกุฏิให้สงสัยนักว่า เหตุใดคุณสะอาดจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกทำไมจะต้องส่งมาหาท่านด้วยความอยากรู้จึงใช้เห็นหนอเข้าตรวจสอบและก็ได้ทราบว่าเป็นอุบายของผู้ที่เป็นแม่ที่จะชักจูงบุตรสาวให้เข้าวัดนั่นเองเอาละถ้าอย่างนั้นอาตมาก็จะช่วยอาจารย์สวดมนต์เป็นหรือเปล่าสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ และพาหุงมหากาได้ไหมสวดได้สามอย่างแรกค่ะอย่างหลังสวดไม่ได้แต่คิดว่าคุณแม่คงสวดได้ค่ะคํำทำวัดเช้าทำวัดเย็นคุณแม่ก็ท่องได้ค่ะท่องได้แล้วก็แปลได้ด้วยน้ําเสียงที่บ่งบอกว่าภาคภูมิใจในมารดา ย, ยิ่งนักแต่หนูสวดไม่เป็นสักอย่างเดียวค่ะอาจารย์กุลนทีว่าทําไมถึงไม่เป็นล่ะจ๊ะเพราะไม่เคยสวดค่ะ แล้วหนูก็ไม่เห็นความจำเป็นของการสวดมนต์ด้วยคนเราถ้ามีความสุขแล้วก็ไม่จำเป็นต้องสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดพวกที่เข้าวัดก็คือคนที่มีความทุกข์มีปัญหาพูดดีๆนะคะอาจารย์ยังกับว่าตัวเองไม่เคยมีความทุกข์อย่างนั้นแหละสตรีวัยกลางคนพูดขึ้นอย่างรู้สึกหมันไส้เต็มประดาฉันไม่เคยมีความทุกข์จริงๆนะนะตั้งแต่เกิดมาเนี่ย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 เอาเถอะสักวันหนึ่งก็จะรู้ว่าความทุกข์มันเป็นยังไงคนอย่างอาจารย์นี่ต้องจัดอยู่ในประเภทไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตาไม่จริงหรอกนะบ้านฉันอยู่ติดกับร้านขายโลงศพฉันเห็นโลงศพทุกวันแต่ไม่ยากกหลังน้ำตาแล้วน้าจมะมาว่าฉันเป็นคนประเภทนั้นได้ยังไงอาจารย์สาวโตสตรีนั้นโกรธหัวฟัดหัวเวียง หากไม่รู้ว่าจะโต้อตอบว่าไรจึงได้ปลอบใจตัวเองว่าอย่าไปเถียงกับเขาเลยเขานั้นจบปริญญาส่วนตัวข้าแค่ปอสีแม้อาจารย์เห็นกุติอัตมาเป็นสนามโต ว, วาทีไปเสีแล้วท่านเจ้าของกุติต่อว่าต่อขานด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม ก็ยังดีกว่าเห็นเป็นสนามมวยใช่ไหมคะอาจารย์สาวถามยิ้มยิ้มเช่นกันดูเธอกับพระกับเจ้าก็ยังไม่ยอมลดละแบบนี้เป็นอาจารย์ได้ยังไงน่าสงสารลูกศิษย์จริงๆคนจบปสีพูดกระทบกระเทียบถึงว่าสิน้า น, าน่าจะไปเป็นอาจารย์แทนฉันนะพิยุพาพรว่าดีไหม ให้นาคนนี้ไปเป็นอาจารย์แทนหนูดีไหมคนจบปริญญาตรีตั้งใจ ย, ยั่วคนจบป .4 ขอโทษนะครับคุณสามคนเสร็จธุระหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็เปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าบ้างบุรุษหนึ่งพูดขึ้นอย่างเหลืออดนึกหมันไส้แม่สาวนี่ตั้งแต่แรกแล้วท่านพระครูเห็นว่าอาจารย์สาวสามคนนี้จะต้องถูกคนอื่นว่าอีกหากพวกกร ยังขืนต่อปากต่อคำกับท่านอยู่จึงบอกพวกหล่อนว่าเสร็จทุระแล้วใช่ไหมแลนี่จะกลับกันยังไงหนูขับรถมาค่ะอาจารย์กุณฑีตอบหลวงพ่อยังไม่ได้ตอบปัญหาของหนูเลยอาจารย์กวินสยาเพอกก็ให้ไปสวดมนไงสวดมนมากๆแล้วก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้เองเอาเถอะไปลองทำดู ได้ผลยังไงคอยมาบอกทีหลังท่านออกอุบายให้อาจารย์สาวมาวัดอีพี่ไม่มาเป็นเพื่อนเธออีกแล้วนะคนไม่ชอบเข้าวัดบอกไม่เป็นไรมากับพี่ก็ได้อาจารย์ยุพาพรเอื้อเฟือ้อคนทั้งสามจึงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกไปท่ามกลางความรู้สึกโล่งอกโล่งใจของบรรดาผู้ที่มีความทุกข์ทั้งหลาย หลวงพ่อครับผมรู้สึกสงสารนักศึกษาวิทยาลัยครูแห่งนั้นเลอกเกินที่มีอาจารย์ปัญญานิ่มๆอย่างนี้แค่ทำครกแตกก็มีปัญหาไม่รู้เป็นอาจารย์ได้ยังไงบุรุษผู้มีนิสัยชอบมันไส้ผู้อื่นพูดขึ้นแต่ถึงอย่างไรโยมก็อย่าไปเมาเอาว่าอาจารย์วิทยาลัยครูจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะเพราะคนที่เข้าปฏิบัติกรรมฐาน เขก็ไม่เป็นอย่างนี้พูดก็พูดเธอบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยเรียนจบด็อกเตอร์มาจากเมืองนอกเมืองนาก็ยังมาให้ช่วยแก้ปัญหาตัวเองจบด็อกเตอร์แต่แก้ปัญหาไม่ได้ต้องมาให้คนจบปศีแก้ให้คนประเภทเนี้ยเขาเรียกว่าความรู้ท่วมตัวเอาหัวไม่รอดความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดครับหลวงพ่อ บุรุษนั้นแยง้งท่านพระครูจึงแก้ว่าก็มันเหมือนกันน่ะแหละโยมการศึกษาสมัยนี้ทำให้คนเป็นการไม่ขีดคือหัวโตแต่ตัวรีบก็เลยไปไม่ไวโยมสังเกตไหมเดี๋ยวนี่โรงเรียนนะ่ะ<ม>เขาไม่ได้สอนเด็กสวดมนต์กันแล้ว สมัยที่อาตมาเป็นนักเรียนนะครูเขาให้สวดมนต์ทุกวันเด็กสมัยก่อนจึงสวดมนต์เป็นสมัยนี้ครูเองก็ยังสวดไม่เป็นนับประสาอะไรกับเด็กนักเรียนโยมว่าจริงไหมจริงครับทั้งครูและอาจารย์สวดมนต์ไม่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็เลยดำเนินรอยตามผมว่าถ้าขืนปล่อยไว้ไม่รีบแก้ไขบ้านเมืองก็จะไปไม่รอดนะครับ บุรุษนั้นแสดงความคิดเห็นอาตมาว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกว่าเพราะยิ่งพูดมันก็ยิ่งเครียดเอาเถอะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดขอให้เราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็แล้วกันน้โยมนะครับหลวงพ่อประเทศไทยไม่ใช่ของเราคนเดียวจริงไหมครับก็คงจริงมั้งเอาเถอะโยมอยากจะคิดอย่างนั้นก็ตามใจ เรื่องความคิดบันหามกันไม่ได้เอาละทีนี้ใครมีอะไรก็ว่าไปสตรีวัยกลางคนคานเข้ามาหากราบสามครั้งแล้วรายงานว่าหลวงพ่อจ้าลูกสาวฉันหนีตามผู้ชายไปพ่อบ้านเขาโกรธมากเขาวางแผนจะฆ่าลูกเขยฉันห้ามก็ไม่เชื่อจะทำยังไงดีจ้าไปบอกเขาเลยว่า ค่าติดคุกแน่หลวงพ่อบอกว่าติดคุกแน่นอนแล้วตายไปก็ต้องตกนรกอีกด้วยจะไปฆ่าเขาทำไมก็มันทำให้เสียชื่อเสียศักดิ์ศีนะจ๊ะหลวงพ่อเขาบอกมันเหยียบจะหมูกกันแบบนี้เขายอมไม่ได้ลูกสาวฉันมันก็ไม่ดีเท่าแก่รงศีมาขอมันก็ไม่เอา ไปเอาไอ้คนจ น, จนมาทำผัวคนพูดเคียดแค้นอ้าวก็เขามาขอแล้วไม่ให้เขานี่นาไปดูถูกดูแคลนว่าเขาอยากจนขนแค้นเอาเถอะอย่าไปรังเกยียจละงอนเขาเลยถึงเขาจะจนเขาก็เป็นคนดีโยมเชื่ออัตมาสักครั้งนะแล้วก็กลับไปบอกพ่อบ้านว่ายังไงยังไงก็อย่าไปคิดพลากผัวพรากเมียเขา มันบาปกรรมเปล่าๆ เ, เชื่อประเทศไทยเถอะแต่พ่อบ้านก็อยากให้มันแต่งกับเท่าแก่รงศรีนี่จ้าหลวงพ่อแต่งได้ยัางไงาเขามีลูกมีเมียแล้วโยมอยากให้ลูกไปเป็นเมียน้อยเขาหรือเป็นเมียหลวงดีๆอยู่แล้วเรื่องอะไรจะให้เขาเป็นเมียน้อยท่านพูดไปตามที่เห็นหนอรายงานแต่เมียเขาหนีตามชู้ไปแล้วนะจ้าหลวงพ่อ หนีไปกับชูคือเป็นทนายความท่านเจ้าของกุฏิช่วยพูดอีกว่าแล้วทนายความก็มีลูกมีเมียแล้วน่าสมเพชนะโยมผู้หญิงหลงตัวผู้ชายข้างผู้ชายหลงเงินผู้หญิงอัตมาเห็นกฎแห่งกรรมของคนคู่นี้แล้วน่าสงสารจริงๆแต่ก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เขาทำของเข้าเองเอาละ เรื่องลูกสาวของโยมนั่นน่ะเขาได้คู่ดีแล้วถ้าไปได้กับเท่าแก่ก็อยู่กันไม่ยืดแล้วก็ต้องไปดูถูกดูแคลนว่าลุกเขยจนอีกห้าปีเขาจะรวยรวยกว่าเท่าแก่รงศรีเสียอีกโยมสบายใจได้กลับไปบอกพ่อบ้านเขาอย่างนี้นะจ้ะหลวงพ่อฉันสบายใจขึ้นมาเป็นกองไม่เสียแรงที่อุตส่าห์มาหา โยมาจากไหนล่ะจากโคกสำโรงจ่ะหลวงพ่อรู้จักคนชื่อจุกหรือเปล่าจุกที่อยู่ตลาดโคกสำโรงน่ะเห็นเขาว่าถูกรางวัลทีหนึ่งท่านถามถึงคนที่เป็นหลานสะพายรู้จักดีจ่ะหลวงพ่ออีนางเนี่ยมันขี้เหนียวอย่าบอกใครขนาดถูกหวยตั้งห้าแสนมันซื้อรองเท้าไปฝากลุงนะ้ามันคู่เดียวเองอย่างงั้นหรือ ท่านเจ้าของกุฏิรับทราบคงไม่จำเป็นต้องบอกหรอกนะว่าหลวงน้าอินังเนี่ยก็คือตัวท่านนั่นเองแค่คนสุดท้ายกลับไปเมื่อเวลาสองทุ่มท่านพระครูเรียกในสมชายขึ้นมาสั่งการว่าพรุ่งนี้ตีสี่เธอไปตลาดกับแม่ครัวเขาไปซื้อของมาเตรียมทาบุญเลี้ยงพระคุณหญิงเขาจะมาเลี้ยงเพลง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 แต่ต้องเสียงเงินพรุ่งนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวก็จะเอาลูกชายมาฝากอัตมาจะให้เขาบวชเนนแล้วก็ปฏิบัติกรรมาฐานสักเดือนสองเดือนเขาก็จะรู้ดีรู้ชั่วแล้วก็จะกลับไปเรียนหนังสืออย่างเดิมอัตมาก็จะได้ใช้หนี้คนขายก๋วยเตี๋ยวโยมอยากรู้ไหมว่านี่อะไรนี่อะไรครับบุรุษวัยหกสิบถามนี่ข่าก๋วยเตี๋ยว อาตมาโกงค่าก๋วยเตี๋ยวแกทุกวันวิธีโกงก็คือย่องไปขโมยเงินทางด้านหลังของแกแล้วก็เอามาซื้อทางด้านหน้าแกยืนผัดก๋วยเตี๋ยวเย้งๆพอใครซื้อแกแกเอาเงินเวียงลงไปในตะกร้าซึ่งวางอยู่บนโต๊ะด้านหลังแกอาตมาก็กินก๋วยเตี๋ยวฟรีทุกวันแถมบางวันยังหยิบเงินเกินเป็นค่าน้ำแข็งใสอีกด้วยคนเล่าหัวเราะ